สมาธิในขั้นนี้ประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุเอกัคขาตาคือความเป็นหนึ่งของจิตอยู่พร้อมท่านเรียกว่าสมาธิขั้นนี้อยู่ในขั้นปฐมฌ า, านในขั้นต่อไปถ้าหากว่าจิตหยุดบริกรรมภาวนาหยุดตั้งใจจดจ้องต่อบริกรรมภาวนานั้นวิตกวิจารหายไปเหลือแต่ปีติสุเอกัคขาตา ในขั้นนี้จิตสมาธิอยู่ในฌานขั้นที่สองขั้นต่อไปจิตปล่อยวางปีติยังเหลือต่สุขเอกับาตาคือความเป็นหนึ่งของจิตได้แก่สมาธินั่นเองจิตขั้นนี้อยู่ในฌานขั้นที่สามเรียกว่าสติชานขั้นต่อไปจิตปล่อยวางสุขยังเหลือต่เอกับข้ตาคือความเป็นหนึ่งของจิตกับความเป็นกลางของจิตเรียกว่าอุเบกขา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 เป็นสมาธิสาธารณะทั่วทั่วไปของทุกทิศาศาสนาที่มีการทำสมาธิรัทธิการบำเพ็ญทานนี้มีมาก่อนพุทธกาลแม้แต่ในตอนต้นๆพระพุทธจเจ้าเสด็จออกบัพพชาสแสวงหาธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้พระองค์ก็ได้ศึกษาปฏิบัติตามหลักของฌานในสำนักของดาบททั้งสอง ซึ่งมีปรากฏอยู่ในตำรานพุทธประวัติศึกษาจนกระทั่งจบหลักูาุของดาบททั้งสองแล้วพระองค์เห็นว่าแนวทางของท่านดาบทนั้นไม่เป็นทางที่จะตัดระลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระสมาธิอยู่ในขั้นฐานนั้นเราจะรู้สึกว่าหมดกิเลสเฉพาะอยู่ในสมาธิ แต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วอาการของกิเลสยังมีปรากฏอยู่แล้วพระเจ้ทาท่านมาโล้ท่านในตรงนี้ท่านสามารถทำเจตให้ไปถึงสมาบัติขั้นที่แปดคือในวาสัญญานาสัญญายตระตามหลักสูตรของพรามในใบเจตอยู่ในขั้นนั้นจิตมันก็ว่างโปร่งสว่างไม่มีอะไรปรากฏแม้แต่สัญญาอารมณ์ก็ปรากฏอยู่เพียงเล็กหน่อยเท่านั้น รู้สึกว่าจิตเบาสบายแต่เสร็จแล้วเมื่อออกมาจากฌานขั้นนั้นมาสู่ภาวะความเป็นธรรมดาอย่างที่เรานั่งคุยกันอยู่เดียวนี้สภาพจิตในเมื่อประสบอารมณ์ทางตาหูจมูกเล่นกายใจมันก็ยังมีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจพระองค์จึงรู้ว่าอ้าวนี่มันยังมีอาการของกิเลสปรากฏอยู่ การบรรลุทานตามหลักสูตรของศาสนาพราหมณ์จึงไม่ใช่ทางตัทธลลเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมันสูงเป็นสมาธิระดับสูงจนเกินไปสมาธิชั้นเนวสัญญาลาสัญญายตนะมันเป็นสมาธิที่อยู่เหนือโลกถ้าจะเขียนเส้นตายลงไปก็อยู่ในระดับพรห ม, มโลกไม่ใช่มนุษย์โลกเสแล้วทีนี้พรห ม, มโลกชั้นนี้มันเป็นพรหมที่ไม่มีตัวไม่มีตน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 เพราะฉะนั้นหลักอนาปาแลสตินี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติมาก่อนเราและก็ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพราะการเจริญอนาปาแักสติกมาฐานการเจริญอนาปาแลกสติกมาฐานนี่มีผลหลายอย่างในขั้นต้นหนึ่งสามารถทำจิตให้สงบลงไปสู่ขั้นสมถกรรมฐานได้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 ทีนี้ถ้าหากว่าจิตสามารถรู้ความตายในขณะนั้นก็สามารถที่จะได้ธาตุธาตุกรรมาฐานเกิดขึ้นมาด้วยเพราะถ้าจิตมองเห็นว่าร่างกายของตัวเองตายแล้วร่างกายมันจะแสดงอาการขึ้นอืด่ดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันในที่สุดก็สลายตัวลงไปเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วครั้งสุดท้ายจะเหลือแต่สภาพจิตที่ว่างสว่างโปรง่งอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้น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 อาตมาใคร้ที่จะขอแนะนำให้เพ่งดูอาการสามสิบสองแม้ไม่เป็นไปตามลำดับดังที่หลักสูตรธรรมะที่ท่านวางไว้ก็ตามสมมติว่าท่านอาจจะเคยผ่าศพวิจัยศพ ใ, ในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ยกเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทำเจตนึกตาม ที่ท่านศึกษาท่านผ่าท่านจัดขั้นดูแทงจ้องลงไปให้มันชัดเจนลงไปด้วยสัญญาที่จำเอาไว้นั้นแทงบ่อยๆพิจารณาเนึองๆ เ, เคล็ดกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเราเคยทำอะไรมาก็นึกพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแล้วจะเป็นอุบายทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิ ในเมื่อใจสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วสิ่งที่ท่านนึกคิดนั้นจะกลายเป็นภาพในมิติปรากฏในความรู้สึกในจิตของท่านอย่างแจ่มชัดถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ได้ดังที่กล่าวมาแล้วสมาธิของท่านจะกลายเป็นจะทำให้จิตของท่านเกิดมีพลังพลังจิตของท่านสามารถทันทีจะไปใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษาโรคไขยไข้เจ็บแก่คนไข้ได้เป็นอย่างดี คนที่มีสมาธินี่เป็นได้เพียงใช้คำพูดกับคนไข้บอกว่าทำใจดีๆทำใจให้เข้มแข็งโรคของคุณจะหายคุณไม่ต้องตกใจฉันจะช่วยให้คุณหายคนต้องหายแน่ๆพูดอย่างนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยให้คนไข้มีอาการดีขึ้นเพราะพลังจิตของเราที่มีสมาธิ อีกอย่างหนึ่งผู้ที่เคยผ่านการทำสมาธิมาบ้างพอสมควรแล้วอย่าไปเผอเผลอแช่งใครเขาหนะถ้าเขินไปแช่งแล้วมันจะเป็นไปตามที่เาที่เราแช่งปากของคนทำสมาธิเป็นปากที่มีสัตว์มีศีลในมาพูดอะไรลงไปแล้วมันจะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้หมายถึงการทำสมาธิตามหลักของพระพุทธศาสนา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 จิตของเราก็สามารถปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมได้ตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นกลางขั้นละเอียดในที่สุดก็สําเร็จมรรคผลนิพพานตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นขอย้ําอีกทีหนึ่งว่าการพิจารณาอะไรก็ดีการบริกรรมภาวนาก็ดีสิ่งที่เราต้องการเป็นผลงานของเรานั้นคือสติตัวเดียวเท่านั้นทา ส, สติให้เป็นใหญ่โดยเด็ดขาดในจิตในใจในกายของเรา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 สติวินโยเรามีสติเป็นผู้นําสติจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนเท่าที่าอาความสามารถของสติจะบรรดาลให้เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายได้ภาวนาหรือพิจารณาธรรมไปถึงขั้นนามธรรมเคยใจสงบนิ่งสว่างแล้วมีแต่สิ่งโลอันเป็นนามธรรมวัตถุตัวตนไม่ปรากฏ ในเมื่อนานๆนนเข้าสภาพจิตนั้นจะอ่อนกำลังลงในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านควรจะย้อนหันมาพิจารณากายเริ่มตอนต่ดูลมหายใจหรือพิจารณากายยัคตาสติหรือพิจารณาตามแผนที่ท่านเคยพิจัยร่างกายของมนุษย์มาแล้วอาจจะมาว่าการเจริญสุภากรรมฐานก็ดีาธาตุกรรมฐานก็ดีหรือการพิจารณาสลีระร่างกายอาการสามสิบสองกายยคตาสตินี่ก็ดี พวกคุณหมอทั้งหลายนด่ง่ายเพราะมีสัญญาเดิมอยู่แล้วอย่างพวกกระตมาเป็นปลาเป็นสง์ไม่เคยผ่าเคยตัดศพมาไปนั่งเลิกหลับตาแทบเป็นแทบตายกว่าจะเกิดนิมิตขึ้นมาให้รู้แจ้งเห็นจริงท่านทั้งหลายมีอุปกรณ์อยู่แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิภาวนานให้เชื่อตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นเราภาวนาอะไรพิจารณาอะไรสามารถทาจิตให้สงบ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 โดยอำนาจแทนคุณพระศรีรัตนชัยในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณธรรมจงดนบันดาลให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จที่ตนพึงปรารถนาโดยทั่วกันเคือสติที่เป็นใหญ่กินซีแปลว่าความเป็นใหญ่เฉพาะตัวถ้าพูดถึงบุคคลก็คือผู้มีอำนาจเฉพาะตัวสติก็คือความระลึก อินซรีย์ก็คือความเป็นใหญ่สติที่ระลึกเป็นใหญ่ในการระลึกเรียกว่าสติีนซีแต่ลักษณะของสติีนซีนี่หาใครบำเพ็ญให้มีขึ้นพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตมันจะกลายเป็นอัตโนมัติไปหมดบางครั้งบางท่านอาจจะเคยภาวนามามากแล้ว <c oughs> บางเี่อยู่เฉยๆจิตมันก็สงบโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นคือสตินี่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นในบางครั้งมันเกิดความโู้ขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจจนเรารู้สึกลำขาดอันนี้คือผลของความที่สติเป็นใหญ่ทีนี้เราจะเกิดสติเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการแพ่งแขงตามที่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 ในเมื่อเราแพ้เมตตาให้เขามากๆ ม, มันจะเกิดผลขึ้นมาสองอย่างอย่างหนึ่งเขามาดีกับเราอย่างที่สองถ้าเขาไม่ยอมดีเขาก็พังไปเองเราไม่ต้องแช่งก็วเป็นบาปแล้วทำให้เราเสื่อมคุณธรรมด้วยเ อ, อ้อ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 รู้สักแต่ว่าเรามีความคิดอย่าไปช่วยอย่าไปช่วยเจตมันคิดอย่าไปตั้งใจคิดต่อเกิดอย่างความคิดผวดขึ้นมาทับมันนึกถึงใครสักคนหนึ่งก็รู้ียงแค่นั้นอย่าไปนึกแค่มันเลยเถิดไปกว่านั้นทำความรู้สึกสักแต่ว่าเรามีความคิดเท่านั้นคิดอะไรก็ได้ไม่สําขัญแล้วสติปัญญามันจะค่อยดีขึ้น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 ชาวบ้านทั้งหลายทาอยู่ที่บ้านของตัวเองก็อย่างคุณหมอก็เคยไปพักที่วัดอัจฉริก็ไม่เคยไปคุมไปนั่งพานั่งสมาธิสักทีมีปัญหาอะไรก็มาถามถามแล้วไปทำด้วยตนเองอยากจะให้ทุกทุกท่านทำไปโดยลำพังของตัวเองถ้าการทำสมาธิมีผู้คคอยควบคุม บางครั้งจิตอาจจะตกอยู่ในกระแสแห่งการสะกดจิตทายิ่งคทำสมาธิไปด้วยฟังเทศไปด้วยโพเทศต่อแนะนําให้ทําจิตอย่างนั้นทําจิตอย่างนี้เมื่อจิตของผู้ฟังสงบเคลิมลงไปอยู่ในเครื่องหลับครึ่องตื่นในตอนนี้จิตมันจะยึดคําพูดแล้วกลายเป็นเรื่องการสะกดจิตไปทันที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 ที่ไม่เคยบวชสําเร็จพระโสดาเช่นนางวิโสาสาขาอนาถบิณิกะก็ยังคลองเลือนอยู่พระเจ้าสุทธโทธนะฟังเทศก็ยังทรงเป็นเครือขัอยู่สําเร็จพระอรหันต์พระพาหิยะก็ยังแต่งเทศเป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็สําเร็จทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เป็นหน้าที่อยู่ในเพศนักบวชนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเทศนี่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ การปฏิบัติอยู่ในภูมิของศีลห้าในง่ายที่สุดเพราะข้าที่จะพึงผิดวินัยนนมันน้อยเราเป็นคโลหัดมีศีลห้าจะประดับตกแต่งร่างกายก็ได้มีครอบมีคลัวได้รับทานอาหารเย็นได้ไม่ขัดข้องแต่ถ้าบวชเป็นชีแล้วทานอาหารเย็นภาวนาจิตไม่สงบบวชเป็นพระเป็นสงฆ์แล้วทานข้าวเย็นกภาวนาจิตไปสงบ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 ก็มาสั้งต้นใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ตื่นโวูบลงไปแล้วปล่อยให้มันเป็นไปจกนกระทั่งหยุดโวูบนิ่งพอเกิดนิ่งพับถ้านอนหลับธรรมดาก็มืดไปเลยทีนี้ถ้าเป็นสมาธิพอนิ่งพับสว่างโพิ่งขึ้นมาอาการโวบนั่นเป็นอาการที่จิตจะก้าวลงสู่สมาธิกำลังจะได้ผลแล้วเชิญทาต่อไป ทเกี่ยวกับเรื่องการปลูกหมอนเลี้ยงไหมถ้าหากสมารถเราเลี้ยงเองทำเองไม่มีใครเขาทำให้คือหมายความว่าเลี้ยง็ น, น้นเป็นตัวขึ้นมาแล้วเอาหมอนเอาไหมไปต้มเองสาเซตไหมเองอันนี้มันก็เป็นปานาติบาตแต่ถ้าเพียงแค่ว่าเราไปแนะนำให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอาชีพแล้วก็ ในเมื่อเขาทำลงไปแล้วเขาจะรู้จักเอาประโยชน์ก็าตามไม่รู้ก็าตามนั่นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสั่งเขาละอันนี้มันก็ไม่เป็นปานาริบตัติทีได้ย่างสมมติว่าหลวงพ่อไปเที่ยวเทศในใครเขาฟังบอว่าประโยชน์สามอุทาและสัมปทาประโยชน์ปัจจุบันต้องถึงพร้อมด้วยความมันมันขยันในการทำงาน ทีนี้ถ้าเผื่ว่าคนทั้งหลายมีงานมีหน้าที่การงานต่างๆกันคนที่มีหน้าที่ราช ก, การก็ค่อ ย, ยังชั่วหน่อยแต่ถ้าเกิดมีคนร้ายที่เป็นมือเตือนคอยรับจ้างฆ่าคนพอฟังเทศหลวงพ่อแล้วเขาไปขยันยิ่งขึ้นเพราะเขาเลื่อมใสในคาเทศหลวงพ่อจะไม่ตกแล้วลกใต้เลยนี่เราพิจารณาเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน